9. รัตนวัรค์ 8. กันทุปฏิชาทิสิขาบทว่าด้วยการทำผ้าปิดฝีเรื่องพระชพคี537สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตผ้าปิดฝีสำหรับภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุชพิีทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตผ้าปิดฝี